ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับชีวิตและจิตใจด้วยการมาวัดเพื่อมาทำความดีในรูปแบบต่างๆเพราะการทำความดีนั้นเป็นหนึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เพียง3 3. คําคำสั่งคาสอนเท่านั้นเองคือ ให้ละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้ทำความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมและสามให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงอันเป็นต้นเหตุของความทุกข์และของปัญหาต่างๆที่ไม่มีที่สิ้นสุด นี่คือคำสอนสามประการของพระพุทธเจ้าไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามเมื่อได้มาตารัสรู้และประกาศก็ทำคำสอนก็จะทรงสอนเช่นเดียวกันทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ผ่านมาในอนดีตก็ทรงสอนเช่นนี้พระพุทธเจ้าในสมัยปัจจุบัน ก็ส่งสอนเช่นนี้และพระพุทธเจ้าที่จะมาปรากฏต่อไปในอนาคตก็จะสอนเช่นเดียวกันเพราะเป็นคำสอนที่ถูกต้องเปรียบเหมือนกับยาที่ถูกกับโรคโรคของสั์โลกคืออะไรก็คือความทุกข์ต่างๆความทุกข์ใจ และยาที่จะรักษาโรคได้ก็คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งสามประการนี้เท่ า, านั้นไม่มีสิ่งอื่นในโลกนี้จะสามารถกำจัดความทุกข์ใจของสัตว์โลกให้หมดไปได้มีแต่พระธรรมคำสอนทั้งสามประการนี้คือการละบาปทั้งปวงการทำ ความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมและการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ดังนั้นการที่เรามาวัดเพื่อมาทำความดีกันจึงถือว่าเป็นการดำเนินตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ปฏิบัติกันเพื่อผลคือความสุขความเจริญ เพื่อหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการกระทำอย่างอื่นนั้นต่อให้ทำได้มากเพียงไรก็ไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เหมือนกับการทำความดีละบาชั่มละใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถึงแม้จะทำมาหากินจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีก็ตาม เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นพระมหากษัตริย์ก็ตามนะก็ยังไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ความเศร้าหมองของจิตใจไปได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นยานั่นเองไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะไปทำลายความทุกข์ภายในจิตใจ พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงสั่งสอนให้ยินดีกับลาบยศสรรเสริญสุขไม่ให้ยินดีกับกะความร่ํารวยไม่ให้ยินดีกับการมีฐานะตำแหน่งสูงสูงไม่ให้ยินดีกับคําสรรเสริญเยืนยอไม่ให้ยินดีกับความสุขที่ได้จากการเสพกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียง กลิ่นรสปวดทะทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีความทุกข์ซ่อนเร้นอยู่เป็นเหมือนเบ็ดที่คอยเกี่ยวคอปลาที่ไม่ฉลาดที่เห็นเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดก็คิดว่าเป็นอาหารอันโอชะแต่หารู้ไหมว่าเป็นกับดักของนายพรานของ ของชาวประมงที่ต้องการจะจับปลาที่ไม่ฉลาดนี้เอาไปต้มเอาไปแกงกินแต่ปลาที่ฉลาดหรือคนที่ฉลาดจะรู้จะเห็นถึงตะขอเบ็ดที่ซ่อนอยู่ภายใต้เหยื่อนั้นคนฉลาดก็จะเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่กับลาบยศสรรเสริญสุด เพราะอะไรเพราะราบยศสรรเสริญสุขนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครจะรับประกันได้ว่าจะรวยไปตลอดจะเป็นนายกเป็นพระมหากษัตริย์เป็นประธานาธิบดีไปตลอดจะมีคนคอยยกย่องสรรเสริญเยือนยอไปตลอดจะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆ ไปได้ตลอดเพราะทุกสิ่งูุกอย่างอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงก็คือไม่ถาวรมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจะเกิดเมื่อไหร่จะดับเมื่อไหรน่นี้ก็ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ถ้าไปหลงยึดติดก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมาเวลาเราได้อะไรมา เราก็ดี อ, อกดีใจแล้วเราก็เกิดความทุกข์กับการที่จะต้องดูแลรักษาต้องคอยห่วงคอยหวงคอยกังวลและในที่สุดก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เมื่อสิ่งที่เรายึดติดนั้นจากเราไปหรือเราต้องจากสิ่งที่เรายึดติดไปเช่นทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาบุตรธิดาบิดามารดาเพื่อนสนิทมิตรสหายก็เช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัดคลากจากกรรมเป็นธรรมดานักปราดหรือคนชราจึงไม่ยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านี้เมื่อไม่ยินดีไม่ยึดติดก็ไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ สิ่งเหล่านี้จะมาจะไปก็ไม่เป็ น, เ ป, นเป็นปัญหาอย่างไรแต่ผู้ที่ยังยึดติดอยู่ก็จะต้องมีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะมาหรือจะไปถ้าสิ่งที่มาเป็นสิ่งที่ไม่ถูกอกถูกใจก็เกิดความรังเกียจเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าสิ่งที่ถูกอกถูกใจมาก็ดีอกดีใจ รีบคว้าเข้ามาให้เป็นสมบัติของตนถ้าคว้าไม่ได้ก็เสียใจหรือถ้าได้มาแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากกันก็เสีย อ, อกเสียใจเหมือนกันนี่แหละคือความทุกข์ที่มีติดอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่สัตว์โลกอย่างพวกเราคือพุตุชนธรรมดาผู้ไร้สติปัญญาที่จะมองทะลุ ถึงความทุกข์ที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้ความสุขมองไม่เห็นตะขอเบ็ดที่รอเกี่ยวคอสัตว์โลกอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นชีวิตก็เลยต้องทุกข์อยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิน้นไม่ทุกข์กับเรื่องนั้นก็ทุกข์กับเรื่องนี้ไม่ทุกข์กับคนนั้นก็ทุกข์กับคนนี้มีเรื่องมาให้ทุกข์อยู่ตลอดเวลา หรือไม่ไมทุกข์กับคนอื่นไม่ทุกข์กับเรื่องอื่นก็ทุกข์กับเรื่องของตนเองเดี๋ยวเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาก็เดือดร้อนหรือไปเป็นหนี้สินก็เดือดร้อนมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะขาดสติปัญญาที่จะนําพาตนเองให้อยู่ห่างไกลจากความทุกข์ต่างๆเหล่านี้ เราจึงต้องมาอาศัยการศึกษาลริ่มเรียนฟังเทศฟังธรรมฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนของพพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนกับแสงสว่างในที่มืดถ้าเราอยู่ในที่มืดแล้วมีแสงสว่างเราก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับตอนกลางวันแต่ถ้าเราไม่มีแสงสว่างในที่มืด เราก็จะไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่รอบตัวเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษ อ, อ, อยู่ใกล้หรืออยู่ไกลตัวเราเพียงไรเราจึงมักถูกสิ่งที่เป็นภัยกับเราทำลายเราอยู่เสมอเพราะเรามองไม่เห็นเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เดินเข้าไปหาเขาโดยไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกมันก็สายไปเสียแล้วพอทุกข์แล้ว ร้องห่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับกะวลกวายกะสั์กะสายดีไม่ดีก็อยากจะทำา้ายชีวิตของตนเองเพื่อหนีความทุกข์นั้นไปนี่แหละคือปัญหาของพวกเราพวกเราถูกความมืดบอดของโมหะและอวิชชาคือความหลงความไม่รู้ความจริงของชีวิตนี่ปกปิดเราจรึงไม่เห็น ว่าราบยศธสรเสริญสุขที่พวกเราทุกคนสแสวงหากันปรารถนากันนั้นเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเรามองเห็นแต่เหยื่อแต่เราไม่เห็นตะขอเบ็ดที่ติดอยู่กับเหยื่อนั้นพอเราไปตะครุบเหยื่อนั้นเข้ า, ขาไปเราก็ตะครุบตะขอเบ็ดไปด้วยมันก็เกี่ยวคอเราพอเราไปยินดีกับราบยศธสรเสริญสุข เราก็ต้องไปทุกข์กับลาบยศเสริญสุขทันทีไม่มีก็ทุกข์แล้วเวลาไม่มีลาบยศเสริญสุขเห็นผู้อื่นเขามีก็ทุกข์แล้วอยากจะได้ก็ต้องลิ้นโลนขนควายตะเกียกตะกายหามาด้วยวิธีการต่างๆถ้าฉลาดหน่อยมีความดีติดตัวมาบ้างก็จะพยายามหาด้วยวิธีที่สุดจริตไม่ไปทำบาปทำกรรม อย่างน้อยก็ไม่มีโทษเพิ่มขึ้นโทษในตัวของสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่แล้วคือความทุกข์ที่มีติดอยู่กับลาบยศเสริญสุขแล้วแต่อย่างน้อยถ้าหาด้วยความสุจริตก็ไม่ได้เพิ่มโทษให้มีมักหนักมากยิ่งขึ้นไปคือไม่ได้สร้างอวัยให้กับตนเองไปเกิดในอนาคตนั่นเองถึงแม้ว่ายังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ แต่ถ้าหาสแสวงหาด้วยวิธีที่สุดเจริญไม่ทําบาปทํากรรมอย่างน้อยเมื่อตายไปก็ไม่ต้องไปใช่บาปใช่กรรมในอบายยังได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกยังได้กลับยังได้ไปเกิดเป็นเทพเป็นพรหมได้แต่ถ้าไม่มีบุญหรือความดีติดตัวมาเลยมีแต่ความโลภโมโทสันมีความมืดบอดเต็มอยู่ในหัวใจ คิดเพียงแต่ว่าจะหามาได้อย่างไรเท่านั้นไม่ว่าด้วยเล่ด้วยกลก็จะเอาไม่ว่าด้วยวิธีสุดจริตหรือทุจริตก็จะเอาทางนั้นถ้าอย่างนี้แล้วนอกจากไปแสวงหาความทุกข์เข้ามาแล้วจากสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเป็นความสุขเรายังกว้านเอาภพชาติที่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปอีก มาเป็นสมบัติของเราด้วยเมื่อตายไปเราก็ต้องไปใช้เวใช้กรรมในอบายกันหมดเวทหมดกรรมแล้วถึงจะได้กลับมาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่และถ้าไม่มีบุญติดตัวมาก็จะติดนิสัยเดิมก็จะทำบาปทำกรรมตามเดิมอีกจนกว่าจะพบกันยาณมิตรหรือพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเกิดศรัทธาขึ้นมาเท่านั้น เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อเพื่อนที่ดีที่ชักจูงให้เราไปในทางที่ดีสอนเราเช่นพ่อแม่ของเราสอนให้เราเป็นคนดีไม่ให้เราเป็นคนไม่ดีไม่ให้เราทำบาป ท, ทำกรรมให้เรามีศีลมีธรรมนี่คือการยาณมิตคนแรกหรือคู่แรกของเรา เพราะไม่มีใครจะอยู่ใกล้ชิดกับเราเท่ากับพ่อกับแม่ของเราถ้าเราไปเกิดแล้วได้พ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่เป็นคนใจบุญใจกุศลเป็นคนกลัวบาปเป็นคนละอายในบาปก็จะพยายามสั่งสอนลูกๆให้ทำแต่ความดีไม่ให้ทำบาปแล้วก็จะส่งให้ลูกไปศึกษากับพระต่อไป ให้ได้เรียนพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไปเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาเช่นยุคนี้เป็นยุคที่ดีเพราะเรามีพระศาสนาคอยสอนคอยสั่งคอยนำทางถ้าหากไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระศาสนาก็จะลำบากเพราะจะไม่มีใครช่วยสั่งช่วยสอนช่วยบอกทางให้ ถ้าพ่อแม่สอนได้ก็สอนได้เพียงในระดับของพ่อของแม่เท่านั้นเองถ้าพ่อแม่รู้มากน้อยเพียงไรก็สอนได้มากน้อยเพียงนั้นแต่ถ้ายังเป็นคารวาสยังเป็นปุตุชนอยู่จะสอนไม่ได้มากจะไม่มองเช่นเรื่องราบยศสรเสริมสุขนี้จะไม่เห็นว่าเป็นทุกข์เลยพ่อแม่ทุกคนจะสอนให้ลูกแสวงหาให้ยินดี กับราบยศสารเสริญสุขทั้งนั้นเพราะตัวพ่อแม่เองก็ยินดีกับราบยศสารเสริญสุขเช่นเดียวกันมีแต่พระอริยสงฆ์ท่านั้นคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระอริยสงฆ์ลองลำดับลงมาเท่านั้นที่เห็นโทษของราบยศสธรเสริญสุขที่ไม่ยินดีกับราบยศสารเสริญสุข ดังนั้นถ้าไม่ได้เกิดมาในสมัยที่มีพระธรรมคำสอนปรากฏอยู่ในโลกก็จะไม่สามารถปลดเปรื่องตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ของลาบยศเสริญสุขได้มีแต่จะถูกดูดเข้าไปเพราะทุกๆคนก็ปรารถนาสิ่งเดียวกัน ด, ดีแต่ว่าถ้าได้พ่อแม่ที่มีสำนึกจิตสำนึกดีรู้ผิดรู้ถูก รู้ดีรู้ชั่วรู้บากรู้บุญก็จะสอนให้แสวงหาโดยวิธีสุดจริตธรรมะหากินก็ไม่ให้ไปทำผิดศีลติดธรรมอยากจะรวยก็ไม่ให้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อรวยไม่ให้ไปช่อโกงเพื่อรวยไม่ให้ไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ตนเองร่ารวยนี่คือสิ่งที่เราจะ อาจจะได้ถ้าเราได้ไปเกิดในครอบครัวที่ดีครอบครัวที่มีมีมีความสำนึกในบาปบุญคุณโทษแต่ถ้าไปเกิดในครอบครัวที่มีแต่กิเลสโลภโมโทสันมีมีแต่ความอยากและไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษว่าเป็นอย่างไรถ้าอย่างนั้นก็โอกาสที่จะ โผ่ขึ้นมาให้ดีขึ้นในภพที่มาเกิดนี้ก็แทบจะไม่มีเลยยกเว้นว่าออกไปนอกบ้านแล้วไปเจอคนที่ดีแล้วได้รับคำแนะนำคำสั่งสอนจากเขาแล้วตอนเองก็มีศรัทธาที่จะน้อมนำออกแบบปฏิบัติด้วยถึงแม้จะได้พบกับคนดีหรือได้พบกับพระศาสนา แต่ถ้าตอนเองไม่ศรัทธาไม่มีความเชื่อก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเจอคนตาดีบอกทางให้แต่ไม่เชื่อคิดว่าเขาหลอกคิดว่าเขาโกหกแล้วกลัวจะถูกหลอกก็เลยไม่เชื่อก็เลยไปตามภาษาคนตาบอกคลำทางไปก็เลยไปไม่ถึงไหนดังนั้นเราต้องคำนึงถึง เรื่องศรัทธาความเชื่อในเบื้องต้นไม่ว่าใครก็ตามจะเป็นพ่อแม่ก็ดีเป็นเพื่อนก็ดีเป็นคนดีที่สอนเราให้รู้จักเรื่องบาปบุญคุณโทษเราควรจะเชื่อในเบื้ อ, องต้นก่อนการเชื่อในทางนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เชื่อแบบงมงายเชื่อเพื่อให้นําออกไปพิสูจน์เหมือนกับเวลาที่หมอให้ยาเราไปรับประทาน เราก็ต้องเชื่อหมอว่ายาที่หมอให้เรารับประทานนี้จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายได้ถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะไม่รับจากหมอหรือรับไปแล้วเราก็โยนทิ้งไปไม่รับประทานถ้าอย่างนั้นเราก็จะไม่รู้ว่ายาที่หมอให้มานั้นรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้หรือไม่ฉันใดการเชื่อเชื่อคำสั่งสอนของคนดีก็เป็นอย่างนั้น เชื่อเพื่อนำเอาไปพิสูจน์เพราะสิ่งที่เขาบอกเรานั้นเราต้องเอาไปพิสูจน์กับตัวเราเองเราถึงจะรู้ว่าดีหรือไม่จริงหรือไม่อย่างไรเหมือนกับอาหารที่เขาให้เรามารับประทานถ้าเราไม่รับประทานอาหารเราจะไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่ดีหรือไม่อย่างไรฉันใดถ้ามีใคร สอนเราบอกเราไม่ว่าจะเรื่องอะไรทั้งสิ้นขอให้เราฟังด้วยใจที่เป็นกลางคืออย่าไปปฏิเสธและอย่าไปเชื่อแบบแบบงมงายขอให้เราฟังหูไวห้หูแล้วก็นำเอาไปทดสอบเอาไปทดลองดูว่าสิ่งที่เขาบอกให้เราทํานั้นดีหรือไม่ เช่นทางศาสนาสอนให้เราแสวงหาความสุข ด, ด้วยความสุจริตไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะด้วยการฆ่าผู้อื่นด้วยการลักทรัพย์ของผู้อื่นด้วยการประพฤติผิดประเวณีด้วยการพูดปดมดเท็จเหล่านี้ไม่ควรที่จะทำเราลองทำดู เราดูซิว่าชีวิตของเราจะดีขึ้นหรือจะเลวลงเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้คำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้เชื่อแบบงมงายสอนแล้วต้องอนาเอาไปพิสูจน์ถึงจะรู้แก่ใจว่าจริงหรือไม่อย่างไรดีหรือไม่อย่างไรคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกคำสอนนี้ เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องผลของบาปบุญคือนรกสวรรค์ความสุขความทุกข์เรื่องของเรื่องของความทุกข์ที่มีอยู่ในลากยศสรเสริญสุขเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องของการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ ทุกคนสามารถพิสูจน์ได้เพราะเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นี้เป็นเหตุเป็นผล <c oughs> เมื่อศึกษาแล้วเรานำเอาไปทดลองปฏิบัติได้เราจะเห็นผลได้ฉนันใดคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกันนำเอาไปพิสูจน์ได้กับตัวของเราเองกับใจของเราเองดังนั้น เราจึงควรมีศรัทธาในเบื้องต้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรจะสอนอะไรขอให้เราฟังแล้วนำไปทดลองดูลองเอาไปปฏิบัติดูแลเราก็จะรู้อยู่กับตัวของเราเองรู้อยู่แก่ใจของเราว่าดีหรือไม่อย่างไรแต่ถ้าเราปฏิเสธเราก็จะไม่รู้เราจะไม่ได้รับประโยชน์ จากสิ่งที่ผู้อื่นสอนอากสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีมีคุณค่ามีคุณมีประโยชน์กับเราเราก็จะเสียโอกาสไปดังนั้นเราจึงควรเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราละบาปให้เราทําความดีและให้เรากาจัดความโลภความโกรธความหลง ทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำทั้งสามสิ่งนี้ได้แล้วผลที่จะเกิดขึ้นก็คือหนึ่งเราไม่ต้องไปเกิดในอบายถ้าเราไม่ทำบาปเราก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายเราไม่ต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากการที่จะต้องใช้เวรใช้กรรมเราจะมีแต่ความสุขเพราะเราทำแต่ความดี และใจของเราจะไม่วุ่นวายใจของเราจะสงบเงยน็นจะสุขจะสบายเพราะเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงกับอะไรไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะไม่สามารถมากระทำจิตใจของเราให้ว้าวุ่นขุนมัวให้เศร้าโศกเสียใจได้นี่คืออนิสงส์ที่จะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติ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 สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรจะละไม่ควรที่จะให้มันมีมาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราส่วนการกระทาความดีก็มีหลากหลายด้วยกันเช่นความกตัญญูกตวเวทีความมีความสำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นปิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มีพระคุณต่าง เราควรที่จะลํำลึกถึงพระคุณของท่านเหล่า น, นั้นและมีโอกาสก็ควรจะตอบแทนบุญคุณนี่เป็นการกระทำความดีการมีสัมมาคาระวะมีคารกผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีพระคุณก็เป็นการกระทำความดีเช่นเดียวกั น, นการเสียสละคือการช่วยเหลือผู้อื่น การนับใช้ผู้อื่นการสงเคราะห์ผู้อื่นเหล่านี้ก็เป็นการทำความดีการมีความเมตตากรุณา ม, มีมุทิตาจิตยินดีกับความเจริญกับความสุขของผู้อื่นก็เป็นการกระทำความดีดังนั้นการทำความดีนี้ไม่ได้หมายถึงเพียงแต่ให้ทำบุญตักบาตรเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงให้ทำกับพระเท่านั้นแต่การทำความดีนี้ให้ทำกับทุกทุกคนทั้งสัตว์เลร้ยฉานด้วยผู้ใดเขาเดือดร้อนเราสามารถที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนก็ทำไปพอช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปรับใช้สังคมได้ก็รับใช้ไปเป็นอาสาสมัคร ทำงานให้กับองค์กรการกุศลต่างๆโดยไม่เรียกไม่เรียกร้องรับค่าจ้างทดแทนแต่อย่างใดทำเพื่อเป็นบุญเพื่อเป็นกุศลเท่านั้นนี่แหละคือการกระทำความดีที่จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบใจดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆไม่รู้จะทำอะไรกุ้มอกกุ้มใจแล้วก็ คิดไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเอาเวลาว่างๆนั้นไปรับใช้ผู้อื่นดูบ้างรับใช้สังคมไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นแล้วเรากลับได้ประโยชน์มากกว่าประโยชน์ที่เราให้กับผู้อื่นเสียอีกเพราะประโยชน์ภายในจิตใจนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งเวลาเราได้ทำความดีแล้วจิตใจเราจะมีความอิ่มเอิบใจ มีความสุขใจมีความภูมิใจมีความพอใจจิตใจจะไม่ว้าเหวจะไม่จะไม่เศร้าสร้อยงอยเหงาจะไม่เบื่อหน่ายเพราะเราไม่ได้อยู่เฉยๆถ้าเราอยู่เฉยๆไม่ได้ทำอะไรจิตใจมันจะเกิดความว้าเหวเศร้าสร้อยงอยเหงาขึ้นมาได้แต่ถ้าเราเอาเวลาว่างนี้ไปทาคุณทำประโยชน์ เช่นวันนี้เรามาวาัดกันเนี่ยเรามาทำประโยชน์หลายอย่างด้วยกันเรานำกับข้าวกับปลาอาหารมาถวายพระภิกษุสัมมนเนนส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปันรับประทานกันทุกคนก็มีความสุขจากการกระทำอย่างนี้และเรายังได้มาฟังเทศฟังธรรมมาได้รับแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของเราให้ไปสู่ ที่สุขที่เจริญที่แท้จริงเนีย่ยวันนี้เราก็แทนที่จะนอนหลับทับสิบนอนอยู่กับบ้านตื่นขึ้นมาก็เบื่อหน่ายไม่รู้จะทำอะไรก็จะไม่ได้รับประโยชน์เหมือนกับที่เราได้มาทากันในวันนี้ดังนั้นจงไม่ควรปล่อยเวลาว่างให้ผ่านไปโดยไม่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าสังขารคือชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจะดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้จึงควรที่จะรีบตักตวงประโยชน์สุดทั้งส่วนเราและส่วนผู้อืน่นให้ถึงพร้อมด้วยการทำความดีอยู่เสมอเวลามีเวลาว่างอย่าปล่อยให้เวลาว่างผ่านไป อย่าปล่อยให้ไปทำในสิ่งที่เสียหายเช่นอยู่ว่างๆก็ตั้งวงเล่นไพ่กันตั้งวงเดิมสุรากันหรือออกไปเที่ยวเล่นกันอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ควรที่จะหางานการทำกันให้เกิดประโยชน์ขึ้นมางานการในบ้านก็ทำได้มีอะไรที่เราปล่อยปะละเลยที่ควรจะทำก็ ร, รีบทำเสีย ดูแลบ้านให้สะอาดซักเสื้อผ้าทำอะไรต่างๆที่จำเป็นจะต้องทำอย่าผัดวันประกันพรุ่งทำไปแล้วจิตใจจะมีความสุขจิตใจจะไม่เศร้าส้อยหน่อยเหงาและจะไม่คิดไปหาการกระทำที่ไม่ดีนี่คือการนำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาปฏิบัติกับชีวิตจิตใจของเรา ทำความดีเสมอละบาปเสมอและกําจัดความโลภความโกรธความหลงอยู่เรื่อยๆต่อสู้กับความโลภต่อสู้กับความโกรธเวลาโลภ ก, ก็อยากไปโลภตา่างเวลาโกรธ ก, ก็อยากไปโกรธตา่างเวลาหลงก็อยากไปหลงตา่างหลงก็คือเห็นว่าลาบฤทธิรเสริญสุดนี่ดีเหลือเกินหน้าน้าสแสวงหามาถ้าคิดอย่างนี้ก็เรียกว่าหลงแล้ว ต้องคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีคุณมีประโยชน์สิ่งที่ควรสแสวงหาสิ่งที่ควรยินดีก็คือการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าควรยินดีในการละบาปควรยินดีในการทําความดีควรยินดีในการชําระจิตใจกําจัดความโลภความโกรธความหลงนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะตั้งเป้าไว้อยู่เสมอคิดถึงอยู่เรื่อยๆ อย่าปล่อยให้มันห่างไกลจากจิตจากใจไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวความหลงจะหลอกให้เราไปหลงอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้และเราจะเสียเวลาไปก้านเอาแต่ความทุกข์เข้ามาโดยไม่รู้ตัวกว้านเอาแต่พิษแต่ภัยเข้ามาให้กับจิตใจแล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจร้องห่มร้องไห้ในภายหลังถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้ เพราะกรรมนั้นเป็นของใครของมันใครทำอะไรก็ต้องรับผลของกรรมนั้นไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดในเวลาที่มีเวลาว่าง mm. เช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ mm. ให้มาทำความดีกัน mm. มาละบาส mm. มากำจัดความโลภ mm. ความโกรธ mm. ความหลุกัน mm. เพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป mm. การแสดง mm. ก็เห็นว่า